ย่อมเหยียดดุดเพดานพอถูกกุศลป๊บเนี่ยโหแผ่เลยนะกุศ ล, ลจิตของท่านแผ่พอไปเจออกุศลปั๊บหมดทันทีเลยแสดงว่ากล้าทำบุญกลัวบาปว่างั้นเนเพราะฉะนั้นพระตถาคตเป็นผู้ยึดมัน่นเป็นผู้ไม่ถอยหลังอันใครๆจะเป็นสมณะพรามเทวดามารหรือพรหมก็ไม่สามารถจะให้พระองค์สละความยึดมั่นในกุศลได้พระองค์เนี่ยดิ่งในกุศลมากเลยนะห้ามไม่เชื่อนะ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 คิดถึงลูกอะนะจะเอาลูกมาให้ได้มหาบุรุษก็คิดอย่างนี้แล้วว่าเราเนี่ยจักนําลูกน้อยก็เลยจึงจมหางแล้วก็สลัดน้ําจากมหาสมุทรไปข้างนอกอะนะวิ่งไปจืดเอาหางไปแย่น้ำอย่างไี้ก็วิ่งมาสลัดจะทําอย่างเนี้ยตลอดจะวิช น, นะมันนะเอาเครื่องสูบติดเทอร์โบไปสักยี่สิสามสิบเครื่องเราสูบทะเลไม่แห้งอ่ะนะ ในวันที่เจ็ดเท้าสา ก, กะก็เลยรำพึงแล้วก็เสด็จมาณนะที่นั้นถามว่าท่านทำอะไรนะมหาบุรุษก็บอกเรื่องราวนั้นแก่เท้าสกา ก, กนั้นจะวิทน้ำเอาลูกมางั้นท้าสา ก, กะกก็บอกความที่น้ำนั้นน่ะ น, นำออกจากมหาสมุทรได้ยากวิทไม่ได้หรอกวิทไม่แห้งหรอกพระโพธิสัตว์กรุกรานว่าไม่ควรพูดกับคนเกียรครานเช่นนั้นท่านอย่ายืนตรงนี้เลย บอกเราไม่มีเวลาคุยกับคนขี้เกียจเหมือนท่านมากกว่านั้นท mm hmm. ้าวสักกาก็คิดว่าเราไม่สามารถจะให้ผู้มีใจประเสริฐเลิกละสิ่งที่ตนถือมั่นได้เหมือนคนที่ดิ่งเลยนะถ้าท่านเชื่อว่าจะทำอย่างนี้เนี่ยยาคิดจะไปห้ามท่านเลยบอกยาหยุด mm hmm. ไม่มีทางนั่นแหละแล้วก็ท้าวสักกาก็สงสารนะก็เลยไปเอาลูกน้อยมาให้และอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างเช่น ในเรื่องที่ในหลวงนิพน์ขึ้นมาตอนหลังนี่นึกออกไหมในหลวงนิพน์เรื่องมหาชนกโอแสดงว่าเรื่องดังมากเลยอาจจะในคำพี์ท่านก็คัดเอามาตอนหนึ่งในการที่พระโพธิสัตว์นี่ถือกําเนิดเป็นมหาชนกพระโพธิสัตว์ก็ไหว้ข้ามมหาสมุตกําลังว่ายอยู่นั่นแหละเจ็วันแล้วถ้าคนธรรมดาโอ้ไม่รู้จะไหายทำไมก็ปล่อยก็บอกคนที่ไม่ไหายนะ ปลาและเตากินเรียบไปหมดแล้วเหลือคนเดียวที่พ้นยังไม่ตายอยู่ได้ถึงวันที่เจ็ดเพราะไหวผู้ศาสนาเนี่ยเราสังเกตดูนะทำไมพระโพธิสัตว์ไม่คิดโอ้แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมท่านไม่คิดอย่างนั้นนะแต่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความพยายามะนะทีนี้เทวดาก็เลยมาถามว่าเพราะเหตุใดท่านจึงไหวข้ามมหาสมุทรนะมองฝั่งก็มองไม่เห็นลิบลับอยู่เลย มองทางไหนก็ถึ ง, ถงน้ําหมดเลยนะไม่รู้ว่าไหวไปหาฝั่งหรือไหวออกนอกฝั่งก็ไม่รู้เนาะมันพอกันหมดอ่ะไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรสักอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเขาเดินลงไปในสมุทรนะเขาเขาจะปล่อยเอาเอานกเอากาไปด้วยสเสร็จแล้วพอดูว่าใก้จะถึงฝั่งหรือเปล่าหรืออย่างเขาก็จะปล่อยนกให้บินขึ้นนกก็จะบินขึ้นสูงเสร็จแล้วก็จะบินดูฝั่งว่าจะอยู่ฝั่งไหนถ้ามีฝั่งปุ๊บนกมันจะบินไปหาฝั่งเลยเรือก็จะได้ตรงไปทางนั้น แต่ถ้าหาว่าบินขึ้นสูงแล้วดูไม่เห็นฝั่งเลยนกก็จะกลับมาที่เรือเหมือนเดิมนั่นแหละกเรียกนกสมัยก่อนว น, นกหาฝั่งนะพอเทวดาถามอย่างนี้เข้าพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าเราไหา้ข้ามเพื่อไปถึงฝั่งแล้วจะครองราชสมบัติในแคว้นอันเป็นของตระกูลนะก็คือจะกลับไปครองบ้านครองเมืองจะไปเป็นพระราชา แล้วบริจาคทานนะจะมีทรัพย์แล้วจะให้ทานเหมืันเมื่อเทวดากล่าวว่ามหาสมุทรนี้ลึกและกว้างขวางมากเมื่อไหรจะข้ามถึงได้พ ร, พระองค์ก็ตรัสว่ามหาสมุทรนี้ก็เช่นเดียวกับมหาสมุทรของท่านนั่นแหละมันก็เป็นธรรมดาของทะเลมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่อาศัยความตั้งใจของเราปรากฏเหมือนเหมืองน้อ ย, อยๆก็เหมือนกับบ่อน้ำเล็กๆอ่ะ เหมือนก็คือเหมือนกับพวกเขื่อนเล็กๆซึ่งมันแค่นี้เองทำไมจะไหวไม่ถึงแต่ถ้าของสายตาคนทั่วไปโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้น น, นนะไกลมากแต่ของท่านบอกมันก็ธรรมดานั่นแหละท่านนั่นแหละจากเห็นเราผู้ไหว้ข้ามมหาสมุทรแล้วนำฟักนาทรัพย์จากฝั่งมหาสมุทรมาครองราชสมบัติในแคว้นอันเป็นของตระกูลแล้วบริจาคทาท่านคอยดูนะัพระเจ้าจะไหวให้ถึงฝั่งให้ท่านดูเน มีเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนี่แหละงอะเทวดาก็เลยคิดว่าเราไม่อาจจะให้บุรุษผู้มีใจประเสริฐเลิกละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้นะไม่กลับโอ้ท่านช่วยช่วยข้าพเจ้าหน่อยดิไม่ขอไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่บอกโอ้ท่านเหาะได้นะอุ้มข้าพเจ้าไปส่งนิสฟังทิง้งโอดีใจเหลือเกินเงี้ยไม่เขาบอกว่าเรี่ยวแรงของบุรุษความบากบั่นของบุรุษความพยายามของบุรุษสิ่งใดที่บุรุษทําได้เขาจะทําสิ่งนั้นองั้น เสร็จแล้วก็ไม่อาจห้ามได้ก็เลยอุ้มพระโพธิสัตว์แล้วก็ให้บันทมณนะอุทยานพระโพธิสัตว์นั้นยังมหาชนให้ยกขึ้นซึ่งสเวตชาติแล้วทรงทำการบริจาคทานวันละ1ิบแสนต่อมาก็สิ็จออกบวชนั่นแหละก็คือพระมหาชนกตอนหลังท่านก็ออกบวตรอันนั้นพระโพธิสัตว์อันใครๆจะเป็นสมณนะพรามเทวดามารหรือพรหมก็ไม่อาจให้เลิกละปุสนสมาทานได้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 บริจาราชสมบัติบริจากรูปบริจาคเมียและบริจาคชีวิตนั่นแหละไม่ให้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้อะกบอกหมอกความมาเนะเพราะฉะนั้นท่านนี้บําเพ็ญในบําเพ็ญในทานและก็ในการสมาทานศีล น, นะถ้าอยู่ในเพศศีลห้าก็รักษาศีลห้าสมควรที่รักษาศีลแปดก็ศีลแปดศีลสิบหรือถ้าบวชเป็นพระภิกษุก็จะตั้งมั่นอยู่ในจะตกบริสุทธิ์ที่ศีลความบริสุทธิ์ของศีลทั้ง สประการและก็ในการรั ก, รกษาอุโบสถในการปฏิบัติดีต่อมารดาบิดานันในการประพฤติดีปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาก็เหมือนในสุวรรณสามชาดกนะยะว่าในชาดกเลยแม้แต่ในเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างท่านก็เลี้ยงมารดาบิดาเป็นนกเป็นแรงท่านก็เลี้ยงมารดาบิดานั่นแหละเพราะฉะนั้นวัดในการปฏิบัติดีในมารดาบิดาท่านก็ประพฤติมา หรือว่าในสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมและก็เป็นผู้ที่เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและก็เคารพในธรรมะและเคารพในกุศลอันยิ่งอื่นๆมีแต่เรียว่าฝักฝ่ายในกุศลมากตถาคตนั้นย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมสังสมก็คือทากุศลแบบนี้ บ, บ่อยเนือ ง, เนองพอกพูน ภาบูนภายบูนเนี่ยือกว้างขวางมากมายตถาคตย่อมครอบงําเทวดาทั้งหลายในโลกสวรรค์โดยสถาน10นะคือถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็เหนือกว่าเทวดาทั่วไปคือสิอย่างก็คืออายุทิพวรรณะทิพสุขทิพยศทิพความเป็นอธิบดีทิปรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิปรสทิพและโพธพะทิพนะนะชั้นต้นก็คืออายุวรรณะความสุขและยศอธิบดี เสก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนะ1ิบอย่างพอดีครั้นจุติจากโลกสวรรค์แล้วมาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะนี้อนนะคือกุศลธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยทำให้พระมหาบุรุษนั้นน่ะมีพระบาทตั้งอยู่เป็นอันดีคือข้อหนึ่งมีพระบาทประฏิษฐานอยู่เป็นอันดีเลยการที่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 พระมหาบุรุษทรงถึงพร้อมด้วยลักษณะนั้นคือคนที่มีฝ่าเท้าเรียบเสมอแบบเนี้หากอยู่ครองเรือนจะเป็นพระราชาจักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมราชามีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแลว้วมีพระอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมด้วยรัตนเจประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วครหามดีแก้ ว, ก ว, ก ว, ก ว, กวปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ด และมีพระอุรสมากกว่าพันเล้วนเป็นผู้กล้ากล้ารูปสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ายีเสนาของข้าศึกได้และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรมสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้อาจยาคือไม่ต้องใช้กฎหมายงั้นไม่ต้องใช้ศาสตราทรงครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตมีได้มีเสาเขื่อนมีได้มีนิมิตไม่มีเส้นน้ํามั่งคั่งแพร่หลาย มีความเกษมสำราญไม่มีหมู่โจรถามว่าเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลอย่างไรคื อ, อกุศลธรรมที่ว่าไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยะนะทำให้ได้ลักษณะคือมหาปุริสลักษณะถ้าเป็นพระราชาแล้วจะมีผลหรือจะได้อ น, นิสง์อะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกบอกว่าเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ที่เป็นศ่ตรฆาเสดศัตรูจะข่มได้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 เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีเหล่าข่าศึกศัตรูภายในนะคนที่มีฝ่าผ่าฝ่ า, า, ทาเท้าเสมอแบบนี้เนะี่ยเป็นนิมิตว่าจะไม่มีข่าศึกศัตรูภายในข่าศึกศัตรูภายในก็คือราคะโทสะหรือโมหะไม่มีข่าศึกภายนอกเลยนะภายนอกก็คือส ม, มณพราหมณ์เทวดามารพรมใครๆในโลกนี้จะข่มพระองค์ได้ คือสัตว์ทั่วไปนี้ไม่มีใครข่มพระ อ, องค์ได้เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์นี้ก็มาจากพรท่านแหละยึดมั่นในกุศลธรรมเพราะว่าไล่ไล่ชีวิตมาตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยนของเราแสดงว่าฝ่าเท้าไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเสมอก็ทําไม่บริบูรณ์ขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีบุญเหมือนกันนะเท้าไม่กุดกระแสวใช้ได้แล้วเนาะ <c oughs> นัะ่นนะ <c oughs> พระมหาบุรุษยินดีแล้วในสัจจะ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 และสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดีจุติจากไตรทิพแล้วเวียนมาในโลกนี้เหยียบแผ่นปัตตพีด้วยพระบาทอันเรียบเหมือนกันผลของการมั น, นั้นก็เหยียบพื้นอย่างเสมอกันเพราะฉะนั้นพวกพราหม์ผู้ทำนายพระลักษณะมาประชุมกันแล้วทำนายว่าราชกุมารนี้มีฝ่าพระบาทตั้งปิิสถานเรียบเป็นเครือหัดหรือบันประชิตก็ไม่มีใครจะข่มได้ นะแม้แต่ตารา ย, ยังบอกเลยนะคนที่มีฝ่าเท้าแบบนี้ไม่มีใครมาขมขีข่มเหงได้พระลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตสองความนั้นนะคือมีนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกใช่ไหมคล้ายๆกับถ้าสมัยนี้ก็ถ้ายี่ห้อนี้ดีแน่นอนเลยนะคือยี่ห้อเป็นเครื่องเครื่องบอกฉันใดก็ดีลักษณะของคนเนี่ยทำให้บ่งบอกว่าเออคนนี้เขามีลักษณะแบบนี้เขาจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพระราชกุมารนี้เมื่ออยู่ครองเรือน ไม่มีใครข่มได้มีแต่ครอบงำพวกปะปักเหล่าศัตรูม่อาจย่ำยีได้ใครๆที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้หาข่มได้ไหมเพราะผลแห่งกุศลกรรมนั้นนะคนมีบุญก็ไม่มีใครกล้าข่มรอบหากพระราชกุมารนี้ทรงออกผนวดทรงยินดีในเนคขมมะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้งคือมีพระปัญญาเนี่ยนะเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไร เห็นแจ้งอริยสั์นั่นแหละเป็นอัครบุคคลไม่ถึงความเป็นผู้อันใครๆคมได้ย่อมเป็นผู้สูงสุดกว่านรชนอันนี้เป็นธรรมดาของพระกุมารนั้นนะก็คือตรงนี้ําให้เราเห็นว่าพระผู้มีพระภาคนั้นพระบาทของพระองค์นั้นะสม่ำเสมอกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในอัธกถาท่านจึงอธิบายว่า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 ภาวะกระพรมเนี่ต่ํานักกรรมอันเราพอกพูนไว้อย่างนี้โอ้มันจะไม่จะน้อยได้ยังไงเนาะสังสมมาตั้งสี่อสงไขยเศษอีกแสนกลับอะ่ะเพราะความไพ่บูรณ์คือไม่มีประมาณเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงว่ากรรมที่เราทําเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั่นแหล ะ, ะคำว่าด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเนี่ย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 สมมติว่าจะเดินขึ้นยอดเขาอย่างเงี้ยนะเมื่อยกพระบาทขึ้นด้วยทรงผ้าดําเรว่าเราจักเหยียบในที่ไกลภูเขาแม้ประมาณเท่าภูเขาสิีรุก็น้อมลงมาใกล้พระบาทเหมือนยอดหวายที่ถูกลนไฟฉะนั้นเคยเห็นยอดหวายไหมยอดหวายก็คือถ้าเขามาลนไฟปุ๊บจะอ่อนนิ่มหมดเลยคล้ายๆว่าถ้าถ้าไม่ลนนะโค้งนี่นก็หักละแต่ถ้าลนไฟปุ๊บเนี่ยจะน้อมหมุนสักสามสี่รอบก็ไม่เป็นไร เป็นความจริงอย่างนั้นเมื่อพระตถ า, าคตเนี่ยทรงยกพระบาทด้วยทรงพระดําริว่าเราจะทำปาฏิหาริย์เหยียบภูเขายุคหันทรภูเขานั้นก็จะน้อมลงมาใกล้พระบาทคือเดินเป็นปกตินั่นแหละแต่ว่าเหยียบฝ่าเหยียบภูเขาก็ดีเลยพระองค์ก็เหยียบภูเขานั้นแล้วเหยียบถึงดาวดึงด้วยพระบาทที่สองนะสมัยที่พระองค์ไปทรงแสดงพระพิธรรมอ่ะที่ซึ่งจกักอันอ่ะซึ่งจักลักษณะ อันควรประดิษฐสถานไม่อาจจะเป็นที่ไม่เรียบนะไม่ว่าจะเป็นตอน้ํากรวดกระเบื้องอุจจาระปัสวะน้ําลายน้ํำมูกเป็นต้นหรือของที่มีแต่ก่อนหลีกไปหมดหรือหายเข้าไปยังแผ่นดินในที่นั้นๆทั้งหมดนั่นแหละก็บอกว่ามหาปฏาปีนี้เสมอดารดาษไปด้วยดอกไม้นะเหมือนกับดอกไม้แรกเย้มย่อมมีขึ้นด้วยเดชแห่งศีล น, นั่นแหะคือเดชของศีลที่พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญมา ด้วยบุญเดชด้วยธรรมเดชและก็ด้วยอนุภาพแห่งทศบารมีของพระตถาคตถ้าใครอยากเดินให้พื้นมันแต่งให้เรียบขนาดนั้นนะเสียสงไข่แสนกับเราหน่อยว่าอยากจะเดินที่ให้มันเรียบเสมอเลยยกฝาพระบาทเนี่ให้มันเสมอเท่ากันหมดเลยนะเอาไหมแต่บกอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นรีบรู้อริยสัตดีกว่านะตอนตอน้ตนๆบอกหูอริยสัต์เนี่สูงมากในะพอพูดถึงเรื่องเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บอริยสัตดีกว่านะลดกันมาหน่อยนะ ก็ <G ül> บอกว่าราคานี้นะห้าบาทอ้แพงจังบอกอันนี้สามพันห้าบาทเนี่ยดีแล้ว